มัดนี้จกแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องปัจจัยให้เกิดรูปและการดํารงอยู่ของรูปซึ่งทรงแสดงไว้ทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมและส่วนที่เป็นรูปธรรมทําให้เห็นว่าการเกิดขึ้นการดํารงอยู่ และแม่แต่การดับไปของรูปเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นและของการแตกดับแห่งรูปลานั้นในส่วนของอวิชาตันหาอุปาทานและกรรมนั้นลวนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปันจจัยของการอะไกันอวิชาเป็นปันใจจัยให้เกิดตัดหา ในขณะเดียวกันตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาด้วยตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานในอุปาทานก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาได้ด้วยส่วนกรรมนั้นเป็นการกระทำด้วยอํานาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานเพระถ้าหากว่าบุคคลใดทําลายวิชา ถ้าเราปฏิานได้แล้วการกระทำของบุคคลนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมแต่ใ น, นแง่ของความเป็นจริงชีวิตของท่านก็ดำรงอยู่อย่างพระอระหันต์ทั้งหลายท่านทำลายกลุ่มกิเลสเหล่านั้นหมดไปแล้วการกระทำของท่านจึงไม่จัดเป็นเป็นกรรมแต่ท่านเรียกว่าเป็นกิริยาเนื่องจากเป็น ความสมบูรณ์เต็มที่ของการกระทำเรานั้นไม่ต้องรับผลเป็นวิบากในสัมปรายาพภายภาคหน้าแต่ในขณะเดียวกันพวกอาหารทั้งสี่ประการซึ่งได้กล่าวมาแล้วสามประการนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับอาหารเรา่านั้นอยู่เพียงแต่ว่าเป็นการเกี่ยวข้องอย่างรู้เท่าทันตามความจริง ไม่ตกเป็นทาสของอาหารดอกนั้นแต่เป็นนายบังคับใช้หรือใช้ประโยชน์จากอาหารดอกนั้นเพื่สังเกตว่าอาหารนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดการกาหนดว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีความสุขก็บังเกิดขึ้นเราเรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่ดีความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นก็กลายเป็นทุกขเวทนา เพอาหารแต่ละอย่างจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเบทนธนาต่อจากนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องการหมุนที่จะเรียกว่าเป็นวัตจักรคือหมุนกันไปเรื่อยๆอาหารที่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาแล้วเราก็ดิ้นรนเพื่อบริโภคอาหารเหล่านั้นต่อไปจึงก็เป็นอาการของตัณหาและเมื่อบริโภคตัณหาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป ทำให้เราพบ ว, ว่าการบริโภคอาหารบางอย่างนั้นบริโภคมากๆแล้วก็ต่อเนื่องสแสดงว่าตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดให้ให้บริโภคอาหารนั้นสร้างสุขเวทนาให้แก่เราหืออย่างน้อยก็รู้สึกกระเด็ดกร่ดอยก็เป็นความพอใจชอบใจตัณหาก็บังเกิดขึ้นอีกมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นการบริโภคที่เกิดความจําเป็น แสดงให้เห็นทั้งปริมาณของตันหาที่เกิดขึ้นมารู้สึกอรเด็รอยรู้สึกได้รับความสุขที่บริโภคจากนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นพินิจพิจารณาตัดกระแสของความอยากก็มีกำลังไม่มา ก, ก่อการบริโภคอาหารเกินหรือการบริโภคในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจึงเกิดขึ้นแก่คนทั่วๆไป อาหารประการสุดท้ายนั้นตรงใช้คำบาลีว่ามโนสันเจตนาหารอาหารคือมโนสันเจตนาได้แก่ความจงใจจงใจคิดตรึกนึกถึงเรื่องต่างๆถึงแน่นอนเรื่องที่จงใจนึกตรึกนึกนั้นก็คงอยู่ในประเภทดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างเช่นเดียวกับอาหารทั้งสามประเภทดักรีได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นทําให้บุคคลได้หลักอีกประการหนึ่งว่าการสึกเนึกการเหสียวนึกของตนนั้นมันอยู่ในวิสัยที่คุมได้คุมได้เหมือนอะไรเหมือนกับกฎของกรรมที่เราสวดสาธยายกันในบทอภินาปั จ, จเวกคณะคือความแก่เจ็บตายนั้นเราบังคับความแก่เจ็บตายการพลาดพลาดนั้นเราบังคับก็ไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็ต้องเกิด แต่ว่ากรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราบังคับได้เราควบคุมได้อย่างหลักที่ทรงแสดงไว้คือถือว่าเป็นสูตรไปเลยว่าพวกอกุศลทุจริจต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ละได้ตถาคตจึงสอนให้พวกเธอละละไม่ได้ตถาคตก็จะไม่สอนให้ละส่วนกุศลกรรมเป็นสิ่งที่ทําได้ตถาคตจึงสอนให้ทําถ้าหากก็ทําไม่ได้ตถาคตก็จะไม่สอนให้ทํา เรมโนสัญเจตนาหารก็คือความจึกนึกหรือความดําริของบุคคลนั่นเองแต่เป็นเจตจานงจึ่งเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างเอาจริงเอาจังที่จะทําอย่างนั้นที่จะพูดอย่างนั้นหรือแม้แต่ที่จะคิดอย่างนั้นเรื่องที่จริงยังไม่เกิดขึ้นแต่เราจงใจที่จะคิดเองจงใจที่จะพูดเองจงใจที่จะทำเอง ในข้อนี้โดยหลักของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระราหุลเทระไว้ในจุลาระหุโลวาทสุรโดยทรงสอนให้พิจารณาเป็นกระบวนการของสิ่งที่เราจะคิดจะทําจะพูดคือเมื่อประรอจะทําจะพูดหรือประรอบจะคิดเรื่องอะไรก็ตาม ก็ต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่เรากำลังจะคื อ, อยังไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าที่คิดจะทำนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลมีคุณหรือมีโทษมีความสุขเป็นผลหรือมีความทุกข์เป็นผลและเมื่อมองเห็นว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นกุศลก็แสดงว่าสิ่งนั้นมีคุณเมื่อทำไปแล้วจะได้ความสุขเป็นผล ก็ให้พยายามกระทำสิ่งนั้นแต่ถ้ามองเห็นว่าเป็นอากุศลมีโทษคืนทำไปก็จะรับความถูกก็งดเว้นไม่กระทำเป็นาการตัดกระแสของอากุศลเสียนในตนตนบางทีในขณะที่เราทำอยู่นั่นเองในขณะที่ทำพูดคิดอยู่นั้นเอง ปัญญาก็เกิดขึ้นบินิดปีชนว่าสิ่งที่เรากำลังกระทำที่นี่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นกุศลก็เป็นสิ่งที่มีคุณมีความสุขเป็นผลที่เราจะได้รับในโอกาสขณะในโอกาสนั้นและในโอกาสต่อๆไปก็รีบเปล่งกระทำต่อไปแต่ถ้าเป็นอกุศลก็ต้องหยุดมองเห็นผลเป็นความทุกข์ ที่เราจะได้รับแม้ในขณะนั้นๆั้นและในขณะต่อๆไปซึ่งบางการณีรับข้ามพวกข้ามชาติไปตามประแสของกรรมแต่าบางอย่างเราได้ทำได้พูดได้คิดไปแล้วมันก็ย้อนระลึกปวดระลึกดูแยกแยะออกไปทั้งสองสายดังที่กล่าวแล้ว เตือนว่าเป็นอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ที่เรากำลังเสวย อ, อยู่ในขณะนั้นหรือกำลังจะเสวยในวกาสต่อไปก็ตั้งใจสำรวจระวังไม่กระทำือถือว่าสิ่งที่กระทาไปแล้วเป็นบทเรียนความทุ ก, กขออก์เราก็สัมผัสแล้วผลของอกุศลเราก็สัมผัสแล้วต้าคืนทำต่อไปความเดือดร้อนความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นอีกก็งดเว้นไม่กระทา ส่วนความสุขเป็นผลที่เราได้รับอยู่แล้วแล้วถ้าหากการทำต่อไปผมก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันก็ลงมือประพฤติเกิดทำลักษณะของความคิดอย่างนี้ก็คือสอนให้มีสติสมัมปชัญญะและลึกรู้ถันทั้งก่อนที่จะทำทั้งขณะที่กำลังทำอยู่หลังจากที่ได้ทำไปแล้ว ดุลาการปฏิบัติในแนวนี้ที่จริงก็คือโครงสร้างของสมาบยาปญัที่แรล ว, ว่าความพยายามชอบนั่นเองหรือก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดถ้าเป็นอกุศลก็สำรวมระวังไว้หรือปิดกั้นไว้ไม่กระทำแต่เป็นกุศลก็ลงมือประพฤติกระทมที่เรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรให้กุศลมันเกิดขึ้น แต่ทีนี้ถ้าในขณะที่กระทาอยู่นั้นนีนความพร่างพร้าดบกพร่องเกิดขึ้นก็ใช้หลักที่ทรงใช้คำว่าประห า, ะปะา น, นประทานคือเปลี่ยนพยายามลดหลักแต่ถ้าเป็นกุศลก็เปลี่ยนพยายามกระทาต่อไปหลังจากได้กระทาไปแล้วก็พึงปฏิบัติโดยนิยะเช่นเดียวกันแต่ว่า ใช้ขนซึ่งปรากฏแก่จิตของตัวเองในขณะนั้นๆเป็นบทเรียนทั้งสองด้านด้านดีก็เป็นบทเรียนเพื่อทําต่อไปด้านไม่ดีก็เป็นบทเรียนเพื่งดเว้นไม่กระทําต่อไปที่เราคิดเป็นสูตรง่ายๆว่ามีความคิดหลับจํากับมีความคิดกระทําต่อไปถ้าเป็นส่วนไม่ดีก็เกิดความหลับจําถ้าเป็นส่วนดีก็กระทำต่อไป ในเรื่องของมโนสังเจตนาหานั้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องของความคิดอย่างเดียวไม่ได้มองไปในช่วงของการพูดและการกระทำแต่แน่นอนเมื่อถึงจุดหนึ่งเราคุมความคิดไว้ไม่ได้เราก็ทาไปตามที่คิดโดยจะพูดไปตามที่คิดแต่นั้นจึงทรงแสดงเป็นกระแสของความคิดไว้สองกระแสเพื่องดเว้นกับเพื่อให้ลงมือ คิดหรือตรึกนึกไปในแนวนั้นนั้นถ้าเรียกตามหลักของอริยมรรคก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะถ้าเรียกตามองค์ของวิตกก็ทรงใช้คำว่ากุศลวิตกกับอกุศลวิตกกุศลวิจตกก็คือความตรึกนึกที่เป็นกุศลความเหนียวนึกที่เป็นกุศลเป็นการตรึกนึกด้วยความฉลาดเป็นการตรึกนึกของคนผู้ฉลาด ก็สึนึกเหนียวนึกไปแล้วจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวส่วนอคุลนั้นเป็นความไม่ฉลาดเป็นการกระทาในลักษณะที่ทรงอุปมาสมัยโบราณหเห็นได้ไง่ายก็ม้จรทในสมัยปัจจุบันก็เห็นได้ไง่ายทรงใช้คาว่าปากฝุนทวนลมลเหมือนกับเราปากฝุนทวนลมหรือคติไทยพูดอย่างหนึ่งว่าโทมน้าลายรถฟ้า ตั้งฝุ่นทั้งน้ำลายนั้นจะตกลงมาที่หน้าเราเองความเดือดร้อนความสกโกรกก็มาเกิดขึ้นแกเราผู้กระทำกับนั้นวันจึงทรงสอนให้ศึกษาถึงกระแสของความคิดทั้งสองกระแสความคิดสายหนึ่งทรงใช้คำว่าการมาสังกับปะคือตรึกนึกด้วยอานาจของความใคร่ เป็นเจ็ดจำนวที่กำหนดวัตถุบุคคลอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งผ่านมาแล้วก็ได้ที่คาดหมายในอนาคตก็ได้หรือว่าเพลิดเพลินกำหนัดเพลิดเพลิอนอในปัจจุบันก็ได้แต่เป็นเรื่องของความเหนียวนึกตุึนึกมันก็ดูความคิดในลักษณะนี้ก็เกิดเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งไรไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็พยายามดินนคนค้นรนผลไายวางแผนด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็น ในบนกระแสของความคิดที่ตรึกนึกไปด้วยอํานาจของความอยากนั้นต้าวปัญญาที่เป็นเครื่องมือในการกํากับมีไม่มากพอเพราะสแบกหาอมาทางกายทางวา จ, จา ก, ก็จะออกมาในทางที่ทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจริตประเพณีต่างๆอย่างพฤติกรรมที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่สม่ําเสมอนั้นคือเกิดขึ้นมาจากความจงใจ จงใจคิดในทางที่จะให้เพิ่มกิเลสเพิ่มความเร่าร้อนกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายใจก็แล่นไปสวดดิตบ้างอนาคตาปัจจุบันบ้างก็ว่าวุ่นสับสนกยูจุย่างกันทรงสอนให้มองเห็นโทษของอกุศลวิตกซึ่งเดียวนึกในลักษณะนี้เห็นว่าจิตใจมันไม่สงบ การปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าสมาธิหรือเจริญสมาธิหรือเจริญกรรมฐานก็มุ่งไปสู่ความสงบจากความคิดในลักษณะนั้นเพระพวกนิวรา์ทั้งห้าประการที่ได้ผ่านมาบ่อยๆนั้นเป็นเรื่องความคิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่ออกมาข้างนอกหรือเป็นการกระทำที่ทุจริตทางกายทางวิชาแต่เอาเฉพาะช่วงของความคิดเรียกว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม คือไม่ให้ความคิดนั้นเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเราไม่ได้คิดอย่างนั้นการกระทำตามนั้นก็ไม่เกิดขึ้นการพูดตามนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอกุศลทุจริตต่างๆที่จะมีผลเป็นความทุกข์ก็ไม่บรรเกิดขึ้นวันกระบวนการของอคุศลก็ล้มไปทั้งแถบโดยตัดที่จุดเริ่มต้นอย่างสมนวนโบราณที่ท่านเรียกว่าจับโจนให้จับหัวหน้าจับงูให้จับที่หัวเป็นต้น คือหางไม่จะยาวยังไงก็ช่างมันแต่ว่าจับไปที่หัวมันงูก็ทำอะไรไม่ได้โดยจับโจนจับหัวหน้ามีลูกน้องเป็นนั้นมากก็ตามแต่จับหัวหน้าได้บริสัทป์บริรวารก็โจนก็ทำอะไรไม่ได้อกุศลทุจริตก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน การคิดการมองเห็นอกุศลซึ่งปรากฏภายในจิตก็ต้องทำทั้งสามช่วงอย่าง ท, ที่ทรงแสดงแก่พระราชนัช่วงประรอบที่จะคิดริเริ่มที่จะคิดมีการวินิจฉัยตัดสินตัวความคิดในขณะนั้นนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ไม่คิดตั้งแต่นั้นถ้าเป็นกุศลก็รีบเร่งคิด แล้วก็รักษากระแสของความคิดเอาไว้ให้ได้นานๆที่สุดเท่าที่จะนานได้หรือว่าช่วงที่ขณะคิดอยู่นั่นเองมีการรู้สึกผิดปกติเกิดขึ้นภายในจิตวินิจฉัยตัดสินได้ในขณะนั้นว่าความคิดกำลับบงตกไปสู่กระแสของกุศลก็หยุดความคิดของตัวเอาไว้หรือบางครั้งทรงใช้คำคล้ายๆกับทราศึกสงคราม เช่นทรงใช้คําว่าทนได้ฆ่าได้ไปได้หมายความว่าถ้าเป็นอกุศลก็ฆ่าก็ทํำลายไปได้เป็นการทําลายเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดไม่จะทําลายสิ่งมีชีวิตนั้นความคิดที่เป็นการมีตกคือความตึกนึกด้วยอํานาจของความคลายนั้นถึงสังเกตว่าจะสายไปในอดีต ก, ก็ตามมนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามนั้นจะ มีความเร่าร้อนรุนแรงกระสันอยากจนควบคุมการแสดงออกไว้ไม่ได้มันจะออกมาได้ทั้งใบหน้าทั้งดวงตาทั้งอาการทางวาจาและทางการกระทาทางกายมองเห็นว่าความชั่วมันจะเกิดขึ้นอีกเป็นมากเราก็หยุดความคิดเหล่านั้นเอาไว้ความคิดอีกระแส น, นึงเป็นความคิดในสายที่เกิดขึ้นมาจากความไม่ยินดี จุดจุดเน้นที่ทรงเน้นก็คือความยินดียินร้ายในนี้ก็คือความยินไร้ายได้แก่ความไม่ยินดีความไม่พอใจความไม่ชอบใจเป็นอาการสายโทสะจนอาศัยความโกรธความไม่พอใจความไม่ยินดีที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตกลายเป็นพยาบาทจิตเกย์ก็จะสายพยาบาทนั้นจะไปหาที่คนเป็นหลัก ตัวนกามาชานั้นไม่แน่ไปหาที่คนที่วัตถุที่สิ่งของที่ที่สัตว์ที่อะไรก็ได้แต่ปยาบาดตามปกติแล้วถ้าคนไม่ผิดปกติเอาเกินไปนั้นจะอยู่ที่คนแต่ทั้งนี้ไม่ได้แน่เสมอไปเพราะบางคนอาจเพยาบาดสัตว์บางคนอาจเทยาบาดแม้แต่ก้อนอิดก้อนหินถึงตนเดินสะดุดแล้วก็เกิดไม่พอใจที่ก้อนหินมายืนขวางตัวเองเอาไว้ อาจจะทุบอาจจะเตะอาจจะทำลายก้อนดินเหล่านั้นก็ได้อย่างที่เราพบเห็นพฤติกรรมบางอย่างนั้นแสดงว่าจิตใจเขาผิดปกติเอามากๆแต่ว่าคนที่ผิดปกติน้อยมาหน่อยก็จะพยาบาทเฉพาะถูกคนแต่จิตแกก็จะวิ่งเหมือนกันคือวิ่งไปทั้งสามกระแสเหมือนกันรบเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตคิดว่าคนนี้ได้เคยทาอันตรายแกเรา คนนี้ได้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราได้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกูลต่อสัตว์เราแต่ผู้ศึกษาทำรรปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าในความเป็นเรานั้นมันมีความเกี่ยวเนื่องด้วยเราอยู่ด้วยที่ทรงใช้คำว่าอัตตาอัตตัญญาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตน ความคิดในสายพยาบาทเอาก็จริงแล้วอาจจะย้อนประวัติศาสตร์ไปเป็นบรรพันเป็นบรรพันปีประรอบถึงโคตรง่าวของบุคคลเหล่านั้นที่เคยทําอันตรายต่อบรรพุรุษของตนมันก็เกิดเป็นความคิดถึงในรูปของความพยาบาทได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาทะเลาะกันในสมัยโบราณนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรา เกี่ยวของกันบบรรุลุเราเกี่ยวข้องกับดินแดนของเราเกี่ยวข้องกับชาติภูมิของเราก็ว่ากันไปเรื่อยๆ เ, เป็นความคิดที่มีลักษณะลามปามไปแล้วก็เหมือนกับไฟไหม้จุดเริ่มต้นมันก็ไม่มากอะไรเท่าไรแต่ถ้าได้เชื้อไปเรื่อยๆไฟก็จะลุกลามไปไปเรื่อย ความพยาบาทอาคตาจึงทรงอุปมาเป็นไฟที่เราเรียกว่าโทสักคิไฟคือโทสักเพราะั้แกมีจุดให้ไหม้สักจุดหนึ่งแกก็ลามของแกไปได้เรื่อยจนในที่สุดเหตุผลสติปัญญานั้นจะน้อยลงเพราะตามกฎเกณฑ์ของการชาเหตุผลสติปัญญานั้นทรงวางเป็นหลักไว้ว่า พิจารณาใค ร, คร่ครวนโดยรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิพิจารณาใค ร, คร่ครวนโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องแต่ในความคิดที่เกิดขึ้นจากความพยายามนั้นในช่วงที่สามที่บอกว่าคนนี้ได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตรูเรานั้นเป็นการแสดงหเห็นว่าเขาทำความดี แต่เนื่องจากใจเรามีความพยาบาทมีความโกรธจึงปฏิเสธการกระทาดีของคนดีเหตุผลที่จริงมันไม่มีเหตุผลเพราะเข้าไปทำกรทําความดีกับคนที่เราไม่ชอบกิเลสมันก็ลามปากเป็นลักษณะของความโกรธที่เกิดขึ้นจากความโกรธแมายความคนที่ทำความดีเหล่านั้นไม่ควรจะถูกโกรธหรอก แต่พอดีนั้นเราโกรธคนที่เป็นศัตรูของเราแล้วคนนั้นเกิดไปทำความดีกับคนที่เป็นศัตรูเราเราจึงโกรธเขาด้วยกิเลสมันก็ออกมาที่เพิ่มความรุนแรงและกระจายตัวเองออกไปแน่นอนความรำร้องก็เกิดขึ้นไปในจิตใจเขาปวดมากเนื่องจากกิเลสประเภทนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วคุมยาก ในตอนต้นๆพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนในรูปของการบรรเทาคือลดความรุนแรงของความคิดเหมือนกับไฟไหม้ขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้ไปแล้วทำยังไงรีบดับใช่ปั๊บใหญ่ไหม้มากเกินไปบางทีก็มาประรบในปัจจุบันบางคนนี้ได้ กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรากำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของเราหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรา <_ co ld> ดีก็ไม่ชอบถ้าทำกับคนอื่นไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าทำแกเราไม่ดีก็ชอบถ้าทำแกคนที่เป็นศัตรูเรานั่นคือลักษณะความคิดทั้งท่านจะเห็นว่ามันก็แกวงไปแกวงมาเป็นโลภบ้างเป็นโกรธบ้างอย่างที่ทรงแสดงสภาพจิตของคนเอาไว้ว่า ความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มีนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ทยอยกันแกว้งไปแกล้งมาของจิตความรักที่เกิดจากความโกรธเช่นอะไรเช่นเรารักนายก่อนายขอเป็นเพื่อนกับนายก่อทำให้เรารักนายขอด้วยเพราะเป็นเพื่อนของเพื่อนเรา นั้นแสดงว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาจากความรักแต่บางทีความรักนั่นเองเกิดขึ้นมาจากความโกรธเราโกรธกันนายกนายขอเป็นศัตรูกันนายกเราเกิดรักนายขอเพราะมีศัตรูร่วมกันทีนี้ความโกรธที่เกิดขึ้นจากความโกรธเช่นว่าเราโกรธนายก นายขอเกิดเป็นเพื่อนกับนายกอเราก็โกรธนายขอด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นมาจากความรักเช่นเรารักนายกอนายขอเป็นตัตรูกับนายกอเราโกรธนายขอด้วยนั่นคือลักษณะใจที่แ ก, กแขว่งไปทีเดียมันเป็นตะกอนใจอยู่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือการปรารบการริเริ่มการเหนียวนึกการจงใจรือดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาคิด ก็คิดมากข้าวมากข้าวปรากฏว่ามันก็จ่ายออกไปสู่อนาคตเป็นเรื่องที่คิดเองเออเองแต่ัดสินใจเองคล้ายๆกับเป็นเป็นตำรวจเป็นอายการเป็นสารเสร็จไปนในตัวคนคนเดียวททางๆ ท, ท, ที่เรื่องนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่มีใครรู้เพราะเป็นเรื่องอนาคตเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ในถึงวันนั้น หรือคนที่เราคิดว่าจะกระทําอะไรต่อเราในโอกาสต่อไปนั้นชีวิตเขาอาจจะไม่อยู่ถึงวันนั้นหรือเขาอาจจะไม่ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ความพยาบามเขาพร้อมที่จะเกิดขึ้นโดยการคาดหมายเอาว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้อาจจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกูลต่อศัตรตูเรามีการกระทําอย่างหนึ่งที่เราเรียกฆ่าปิดปาก เกิดขึ้นจากมโนสัญเจตนาคือใจปเป็นเหนี่ยวนึกเอาเองไปตรึกนึกเอาเองในคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วตัวเองก็ทำหน้าที่สร้างบาปสร้างอากุศลในปัจจุบันซึ่งหมายความว่าคนเหล่านั้นจะทำอกุศลในอนาคตหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราดันทำอกุศลแล้วในปัจจุบัน เพราะงั้นถ้าเขาแม่เขาจะกระทําแต่ความเดือดร้อนยังไม่เกิดขึ้นแก่เขาเพราะเขายังไม่ได้กระทําส่วนเรากระทําไปก่อนความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นแก่เราการศึกษาในกระบวนการทางจิตเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอาการซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตของบุคคลทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงแต่สะท้อนออกมาให้ดูว่านั้นคือความสับสนของความคิดที่เกิดขึ้นจากความเหนียวนึกการตรึกนึกซึ่งบุคคลจะต้องมองให้เห็นโทษของความจงใจเหนียวนึกตรึกนึกในลักษณะ น, นี้แต่เพียงพยายามลดละบันเทาเพราะในที่สุดพึงสังเกตว่ามันจะย้อนกลับเข้าไปสู่เหตุปัจจัยของรูป ก็คือเกิดขึ้นมาจากอาวิชชาต่อไปวนธีจะเป็นตันหาคือความทยานอยากที่ต้องการให้คนอันเป็นที่รักของเราเองเป็นไปตามที่เราต้องการคนที่เราไม่ชอบนั้นประสบความพิบัติเดือดร้อนใจก็มุ่งไปสู่ความพิบัติของบุคคลอื่นก็สนองต่อความต้องการของตัวเอง ทั้งสองกระแสนั้นเป็นเรื่องของความเร่าร้อนสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเรียกว่ามีทุกข์เป็นผลในโอกาสต่อไปทั้งนั้นความเดนนึกสึกนึกในลักษณะหนึ่งก็จัดเป็นกลุ่มของอกุศลวิถุกเหมือนกันเป็นอาการทางจิตหรือว่าเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอย่างหนึ่งของจิตที่เก็บสะสมความคิดในการต้องการจะดูความวิบัติเืดร้อน ความผิดนาตของบุคคลทั้งหลายทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ก็อยากดูเฉยๆคล้ายๆก็ติดตามข่าวคราวสงครามที่ปรากฏอยู่ในขณะ น, นี้หลือว่าเดือดร้อนวุ่นวายหรือนึกข้าวขวายใดขวายหนึ่งก็เข้าโดยต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นต้องการจะให้เป็นอย่างนี้ต้องการจะให้เป็นอย่างโน้นตัวเองก็มีลักษณะตอบสนองหรือรู้สึกว่าสัดใจดีมันดี เป็นที่พอใจของตัวเองที่ได้เป็นเช่นนั้นตามที่ตัวต้องการความจึกนึกในลักษณะนี้เป็นขาดความการุณาต่อบุคคลที่ควรแก่การการุณาการมองเห็นการเบียดเบียนประทุษร้ายกันนั้นจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งถูกเบียดเบียนเป็นอย่างน้อยแต่ว่าตามปกติแล้วในรูปร่างของการเบียดเบียนถ้าออกมาทางกายกับทางวจาแล้วบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นจะถูกเบียดเบียน แต่เราต้องการความสะใจของเราเป็อย่างเดียวก็นึกถึงให้เกิดความเปลี่ยดเปลี่ยนในรัตนะนั้นจะลืมมาความคิดทั้งหมดนั้นที่จริงมันยังไม่เกิดเราจะให้เกิดก็ได้จะไม่ให้เกิดก็ได้แต่วิญญาก็สอนให้บรรเทาความคิดเหล่านั้นเอาไว้ตั้งแต่ประรบจะทําถ้าเห็นม่าไม่ดีก็อย่าคิดในขณะที่ทําถ้าเห็นว่าถากำบังทําไม่ดีอยู่ก็อย่าไปทําอย่าไปคิด หรือทำไปแล้วก็ถือว่าให้เป็นบทเรียนเป็นอุบายวิธีในการฝึกปลือจิตใจของตัวเองให้มีภูมิต้านทานตอํอานาจกิเลสและอำนาจอารมณ์ทั้งหลายคือจะได้สัมผัสความสุขความสงบเยือกเย็นจากจิตที่ไม่ถูกรุ่มรุมด้วยอานาจกิเลสในระดับต่างๆต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป